วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหา เพาะทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธามีความเชื่อว่าไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้สิ่งที่พระทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้นั่นเองสิ่งที่พระทมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะให้กับผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติได้รับก็คือวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีศาสนาใดไม่มีคําสอนใดไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ มีเพียงศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะพาที่จะสอนให้ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พวกเราที่มีศรัทธาก็เพราะว่าเราอยากจะพ้นทุกข์กันเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ต่างๆ ที่เรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ก็ เ, เป็นความทุกข์ที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ที่เราจะกำจัดได้ถ้าเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องและผู้ที่จะรู้รวิถูกวิธีที่ถูกต้องก็มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นถ้าพวกเราต้องการวิมุติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสั่งคําสอนของพระอาหารหันตสาวุขทั้งหลาย mm hmm. เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ได้เอาสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติต่อไปแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติกันแล้ว ผลอันเิอันประเสริฐคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาตามลำดับต่อไปดังนั้นสิ่งแรกที่ชาวพุทธเราผู้ฝ่ายทผู้ฝ่ายการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องกระทาก็คือต้องต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก่อน อันนี้เป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขั้นแรกก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองขั้นตอนแรกนี้เราเรียกว่าปริยัปริยัติหรือปริยัติธรรม คือการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองขั้นแรกนี้คือศึกษาหรือปริยัติเพื่อนาไปสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วขั้นที่สามก็จะตามมาคือปฏิเวชการบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ ในระดับต่างๆกันขั้นแรกนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการดูแผนที่การที่เราจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราจาเป็นที่จะต้องมีแผนที่บอกทางหรือไม่ฉะ่นนั้นก็ต้องมีคนที่เคยไปถึงที่นั่นแล้วที่เราจะสอบถามเขาได้ว่า การที่เราจะไปถึงที่ที่จุดนั้นได้นั้นเราต้องไปอย่างไรต้องเดินทางด้วยรถยนต์หรือเดินทางด้วยพาหนะอย่างอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนการจะไปไหนมาไหนจุดหมายปลายทางที่เราไม่เคยไปเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะไปได้อย่างไรก่อนเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ต้องออกเดินทางกัน ถ้าเราเรียนรู้วิธีการเดินทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้นั้นไปได้อย่างไรแต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางเรายังอยู่กับบ้านอยู่ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเรียนรู้แล้วเราต้องเอาความรู้ที่เรารู้นี้มาปร มาปฏิบัติต่อถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับกเราไม่ออกเดินทางจากบ้านเราก็จะไปไม่ไปไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกันนั่นเองฉะนั้นข้อแรกที่เราต้องทําก็คือมันศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้ว เราก็ต้องนำมามาปฏิบัติกันเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับผลก็จะเกิดเป็นขั้นๆการดุพ้นจากความทุกข์นี้ท่านก็แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันแล้วก็มีชื่อชื่อเรียกขั้นต่างๆว่าสโสดาบันสกีดาคามีอนาคามี และอ า, าราหันนี่คือขั้นตอนของการบรรลุ ธ, ธรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นขั้นๆไม่ได้เกิดทีเดียวขึ้นมาพร้อมกันหมดทีเดียวพร้อมกันเลยในขณะเดียวเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันและอาจจะบรรลุได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันก็ได้หรืออาจจะใช้เวลาระยะเวลาห่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถสติปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติว่ามีมากมีน้อยและเวลาที่จะให้กับการปฏิบัตินั้นมีมากมีน้อยด้วยถ้ามีสติปัญญาที่มากและมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่เสียเวลาไปกับการทําภารกิจอย่างเลย โอกาสที่จะบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นนี้ก็อาจจะบรรลุได้ในระยะเวลาอัานใกล้กันเลยทีเดียวยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีภาพพิสูรรูปหนึ่งนี้ตอนนั้นเป็นวันที่ท่านไปโป่งผมวันโกนพอท่านใช้มีโกนโป่งผมครั้งที่หนึ่งท่านก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งแล้วท่านก็พิจารณาธรรมขั้นที่สองต่อ พอท่านลงมีโกนขั้งที่สองท่านก็บรรลุธรรมขั้นที่สองแล้วพอท่านท่านก็พิจารณาต่อจากนั้นไปพอท่านใช้มีโกนหงศีรษะขั้งที่สามท่านก็บรรลุธรรมขั้นที่สามพอท่านปลงผมขั้นที่สี่ท่านก็บรรลุธรรมขั้นที่สี่เลยอันนี้เป็นขั้นขั้นแต่ช้าๆหรือจะเร็วนี้ ก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถอยู่ที่ว่ามีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้าไม่ได้ถ้าไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาที่แหลมคมและไม่มีเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่บางทีก็อา จ, จะติดอยู่ในแต่ละขั้นเป็นเวลาอันานานพอสมควรก็มีได้อาจจะมีภารกิจอย่างอื่น ที่มาทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อได้ยกตัวอย่างคือพระ อ, อนุนที่เป็นพระอุปถาพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปถารับใช้พระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านได้บรรลุทำขั้นที่หนึ่งแล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่พอท่านมารับใช้พระพุทธเจ้า ท่านก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติต่อเพราะต้องเอาเวลามารับใช้พระพุทธเจ้านั่นเองก็เลยติดอยู่ขั้นนั้นอยู่หลายปีด้วยกันจนกว่าจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับฐันจากโลกนี้ไปท่านจึงบทภาระในการรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยมีเวลาที่จะไปปฏิบัติต่อ พอท่านไปปฏิบัติต่อใช้เวลาระยะเวลาเพียงสามเดือนท่านก็บรรลุถึงขั้นที่สี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้สำคัญที่เวลาที่เราให้กับการปฏิบัติถ้าเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือไปทำระดับไปทำทำระดับอื่นเช่นพระโส พระพระอานนุ์ก็เอาเวลาไปใช้ทำระดับขั้นทานคือการรับใช้พระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นธรรระดับขั้นต่ำขั้นขั้นบุญขั้นกุศลขั้นธรรมขั้นทําทานรับใช้เสียสละเวลาแด้ประโยชน์สูง ข, ของตนให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยทําให้ท่านไม่มีเวลาที่จะมา ปฏิบัติทำขั้นสูงที่ท่านต้องปฏิบัติต่อไปทก็เลยต้องรอให้ถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปแล้วจึงมีเวลาที่จะได้ไปปฏิบัติต่อนั่นเองนั้นขอให้เราเข้าใจไว้ว่าการปฏิบัตินี้ การบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้บรรลุได้ช้าเร็วต่างกันบางคนก็รวดเร็วทันใจเพียงไม่กี่ไม่กี่นาทีก็สามารถบรรลุธรรมทั้งหมดได้พร้อมๆกันไปเลยบางคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้ามีการปฏิบัติแล้วแล้วถ้าได้มีการบรรลุถึงธรรมขั้นที่หนึ่งแล้ว การบรรลุธรรมขั้นที่เหลือต่อไปก็จะเป็นตามมาอย่างแน่นอนต่างกันตรงที่ว่าช้าหรือเร็วเท่า น, นั้นเองแต่ถ้ายังไม่ได้ขึ้นสู่ธรรมขั้นที่หนึ่งหรือขั้นพระโสดาบันนี้ก็จะยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะบรรลุธรรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เมื่อไร่เพราะว่า เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรระดับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้อยู่นี้การปฏิบัติที่ได้กระทามานี้ยังสามารถที่จะเสื่อมหรือหมดไปได้ถ้าเกิดตายไปก่อนถ้าตายไปก่อนถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นขั้นปัญญาขั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ เห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักนี่ก็ยังย้ำไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อไห่เพราะว่าทำที่จะทําให้ได้บรรลุและหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นยังไม่ปรากฏขึ้นมาในใจนั้นเองผู้ที่ปฏิบัติถึงทำแค่ขั้นขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธินี้ ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะการทําทานรักษาศีลการทําสมาธินี้ช่วยบรรเทาหรือระ ง, งับดับความทุกข์ไว้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่พอเวลาที่ไม่ได้มีการปฏิบัติความความทุกข์ที่ได้ถูกระ ง, งับจากการปฏิบัติทานศีลสมาธินั้นก็จะย้อนกลับขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วถ้าสมมุติว่าชาตินี้ตายไปเรากลับมาเกิดชาติหน้าก็จะต้องมาเริ่มทําใหม่ต่อมาทําใหม่ต่อต้องมาทําทานสิงสมาธิต่ออันนี้เป็นเพราะว่ายัางไม่ได้บรรลุถึงธรรมขั้นที่เรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่จะทําให้จิตใจนั้นตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปได้อย่างแน่นอน เช่นถ้าได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันนั้นนี้การเวียนว่ายตายเกิดการที่จะกลับมาเกิดใหม่นี้ก็มีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเมื่มาคำว่าจะต้องเจดชาติบางท่านก็อาจจะกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้เพราะว่าการเป็นการตายของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดไปเจออุบัติเหตุ ถึงกับทำให้เสียชีวิตขึ้นมาแต่การเป็นพระโสดาบันนี้จะไม่เสื่อมไม่หายไปจากใจพอกลับมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วก็มาปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้ทำให้ไปสู่ขั้นที่สอ ง, ท, สองที่สามตามลำดับได้ต่อไปถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ถ้าเป็นขั้นที่สองคือฆะสกิดาคามี ก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นล้วก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงตามลำดับต่อไปถ้าได้ทำขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ละแต่จะไปเกิดในภพของพรหมแล้วก็จะบรรลุธรรมในขณะที่อยู่ในภพของพรหมบรรลุธรรมขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะออกจากภพของพรหมไปสู่พระนิพพานไปสู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปกรรมที่เคยได้ทาไว้ก็จะไม่สามารถที่จะบุบุบัติขึ้นมาได้ต่อไปวิบากกรรมที่ ที่เกิดจากกรรมที่ทำในอดีตทั้งหลายก็ไม่สามารถแสดงผลได้ถ้าไม่มีการกลับมาเกิด อ, อีกต่อไปนี่คือผลของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธศาสนาจะสามารถมอบให้กับเราได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนในถึงระดับขั้นสูงสุด ไม่มีการไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเกิจากการบืองเกิดจากการขั้นต้นคือการศึกษาว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงแสดงธรรมนี้ก็จะทรงแสดงธรรมที่เหมือนกันคือวิธีการดับทุกข์ วิธีการดับทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เคยปรากฏขึ้นมาในอดี ต, ตการที่ผ่านมาหรือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของเหล่านี้หรือพระพุทธเจ้าที่จะมาเกิดต่อไปในยุค ข, ข้างหน้าก็จะมีการสอนวิธีการดับความทุกข์เหมือนกันหมด เพราะวิธีการดับความทุกข์นี้มีวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นดังนั้นเราถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกับตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่เราก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เก็บบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก ที่เราสามารถศึกษาแล้วก็นำมาไปปฏิบัติพาให้เราได้ดุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือถ้าเรามีโชคมีโอกาสดีเราอาจจะได้พบกับพระอาหารหันต์ตัศวร ก, ก็ได้ถ้าตาบใดยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้จะต้องมีพระรันตนใจคือมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ คือมีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็อย่างน้อยก็ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอาหารหันตสาวกหรือพระอาาริยสงสาวกขั้นต่างๆที่จะเป็นผู้ที่จะบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างพวกเราในยุคนี้เราถือว่าเราโชคดีวาสนาดีที่เรายัางได้พบกับพระพุทธศาสนา ที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และมีพระอริยสงสาวกระดับต่างๆมาคอยสั่งมาคอยสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับพวกเราอยู่หน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมก็คือการศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาคำสั่งคำสอน ต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีโอกาสได้พบปะกับพระอริยสงสาวกเราก็สามารถที่จะศึกษาฟังธรรมจากพระอริยสงสาวกได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆก็ดีธรรมที่ฉันจะสอนนี้เหมือนกันหมดแล้วก็มีสรุปอยู่เป็นหัวข้อข้อความใหญ่ๆ อยู่สามหัวข้อความด้วยกันข้อที่1ท่านสอนให้เราละาการกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุของความทุกข์ของความเศร้าหมองของจิตใจ ให้หมดไปจากใจนี่คือคำสอนง่ายๆมีอยู่เพียงแต่สมหัวข้อใหญ่ๆท่านั้นเองแต่เราอาจจะต้องศึกษารายละเอียดว่าแต่ละหัวข้อนี้มีมีอะไรบ้างเช่นหัวข้อที่หนึ่งทรงสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงบาปที่ท่านสอนให้เราละก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดแล้วก็ให้เราละการเสพอาบายามุข ค, คือการดื่มสรายาเมาเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวเต่ตามสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ให้เราละความเกลียดคร้านผู้ที่จะไป สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมถ้ามีความเกียจข้านก็จะไม่สามารถไปถึงได้และอบายยมุขข้อที่หก็คือให้เราละเว้นจากการครบกับคนที่ชอบอบายยมุขถ้าถ้าเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบอบายยมุขเขาจะชวนเราไปเสพอบายยมุขถ้า เขาชอบดื่มสุรายาเมาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรายาเมาถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเต่เขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะถ้าเขาชอบความเกียดคร้านเขาก็จะชวนเราไปให้เราเกียดคร้านแม่เราไปขยันทำมาหากินหรือทาอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> น, นี่คือบาปและอบยัยมุขที่พระเจ้าทรงสอนให้ พวกเราที่ต้องการาดับความทุกข์นั้นทำกันเพราะการกระทําบาปก็ดีการเสพอ บ, บา ย, ยมุ ก, กดีนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหนึ่งเป็นบอ่อเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเราทําบาปแล้วใจเราจะมีความทุกข์กันใจเราจะร้อนใจเราจะไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนี้เป็นผนที่เกิดขึ้นทันทีในใจของผู้กระทาบาปแล้วบาปที่ได้ทำนี้ก็จะยังติดอยู่ในใจและจะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายต่อไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญที่ได้ทำเอาไว้ตายไปแทนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันที หรือไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมนี่ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปนรกแทนซึ่งเป็นสภาพของจิตดวงวิญญาณที่มีความทุกข์มไม่มีความสุขเลยในอบายทั้งสี่มีความสุขก็ จ, จะเล็กน้อยสำหรับถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่เบาชานเขาก็มีความสุขบ้างแต่เขาก็มีความทุกข์กับความหวาดหวาดระแวงหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะมาทำลายเขานั่นเอง mm hmm. ถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเราให้เราระการกระทำบากระการเสบบายยมุขทำไมต้องไม่เสะบายยมุขเพราะถ้าเราเสบบายยมุขแล้วจะทำ ให้เรามีโอกาสได้ทำบาปได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะอบายามุกนี้จะทำให้เรานี้มีแต่สูญเสียรายได้หรือทำให้เราเผลอสติในกรณีของการดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติดต่างๆเวลาดื่มสุราแล้วเมาขาดสติความอยากที่จะกระทำบาปอารมณ์ที่อยากจะกระทำบาปมันก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วก็ไม่มีสติมายับยัง้งแต่ถ้ายังมีสติอยู่ยังไม่ได้ดื่มของมึนเมาไม่ได้เสพยาที่ทำให้ขาดสติเวลาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทำบาปมันก็ยังสามารถมีสติยับยั้งไว้ได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีสติแล้วพอมีอารมณ์ที่จะทำบาปมันก็จะไปทำทันทีนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องอยาก ไม่เสพบบายามุกเช่นสุรายาเมายาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมความคิดการกระทาทางกายทางวาจาได้อันนี้เป็นวิธีที่เราจะสามารถละการกระทำบาปในเบื้องต้นได้คืออย่าไปเสพบบายามุกเพราะเสพบบายามุกแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราไปทำบาปได้งา่าย เช่นถ้าเราเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อพอหมดก็ทีนี้ก็ต้องไปโป้นไปจี้ไปขโมยไปลักทรัพย์ของผู้อื่น mm. เพื่อมาใช้หนี้หรือเพื่อมาเล่นการพนันต่อง mm. ั้นกาบายอมุกไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพ น, นันการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจา่าย เยอะมากต่อไปเงินทองก็ไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็ต้องไปหาวิธีโดยวิธีที่ทําบาปไปช่อโกงไปรักทรัพย์ไปหลอกลวงผู้อื่น<ม>พระพุทธเจา้าถึงต้องสอนให้พวกเราอย่าไปเสพอบายามุกกันเพราะเราจะได้ไม่ทําบาปได้ง่ายนอกจากไม่เสพอบายามุกแล้วการที่เราจะไม่ทําบาปได้ง่ายเราก็ต้องมีฮีเโอตปะ วิรนี่แปลว่าความอายโอตปะก็คือความกลัวผลของบาป ท, ที่จะเกิดขึ้นคนทําบาปนี้มักจะอายไม่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองไม่กล้าประกาศว่าตอนนี้เราได้โกงคนนั้นได้โกงคนนี้ถึงแม้จะจับถูกถูกสารตัดสินลงโทษว่าผิดว่าโกงก็ยังบอกว่าไม่โกงอยู่ดีเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเขามาคิดว่าเราเป็นคนโกงกัน มีความอับอายขายหน้าเพราะคนโกงนี้จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองจึงมีหิริเราต้องมีหิริอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เรากลายเป็นคนโกงไปเป็นคนที่ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยให้เรานึกถึงผลที่จะตามมาจากการทำบาปว่าเราจะกลายเป็นคนที่น่าเกลียดน่ารังเกียจ ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนด้วยไม่มีใครอยากจะร่วมทำธุรกิจกับเราเพราะไม่รู้ว่าจะถูกเราโกงเมื่อไหร่อันนี้ต้องมีหินให้รู้ว่าเวลาทาบาปแล้วนี้มันจะทำให้เรานี้เป็นคนที่น่ารังเกียจถ้าเรามีความอายในบาปเราก็จะได้ไม่กล้าทำแล้วให้เราคิดถึงผลของบาปที่จะเกิดขึ้น เก่ดขึ้นที่ใจเราในเบื้องต้นทำให้ใจเรามีความทุกข์มีความวิหวามีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลว่าจะถูกใครเขามาจับเราไปลงโทษหรือไม่มีใครรู้ว่าเราได้ทำบาปหรือไม่มันได้จะทำให้ใจของเราไม่มีความสุขแล้วเวลาที่ตายไปใจของเราก็จะต้องไปใช้ผลในอบายต่อไปนี่คือการมีฮิริอุตตะปะ คือตอนคิดถึงความผลเสียหายที่จะทาที่จะตามมาจากการกระทาบาปมันก็จะช่วยทำให้เราไม่กระทำบาปได้ถึงแม้ว่าจะไม่หมดเลยก็ตามเพราะว่าเราก็ยังอาจจะถูกเหตุอย่างอื่นทำให้เรากระทำบาปเหตุที่จะทำให้เราเกิดการกระทำบาปก็อาจจะเกิดจากการเกิดโทสะที่รุนแรงขึ้นมาก็ได้ หรือกาเกิดโลภะที่รุนแรงหรือเกิดโมหะที่รุนแรงที่เหนือกว่าำกำลังของสติปัญญาของเราจะาหักข้ามได้เราก็จะหายังต้องไปทำบาปกันอยู่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงทำขั้นของพระอริยะบุคคลคือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วถ้าเป็นทำขั้นพระโสดาบันนี้ท่านจะมีสติปัญญา ที่จะรู้ทันเวลาที่เกิดมีอารมณ์ที่อยากจะทำบาปขึ้นมาท่านก็จะสามารถระงบับอารมณ์ระงับการกระทำบาปได้แต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่โอกาสที่ยังจะต้องทำบาปนี้ก็ยังมีอยู่ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันนี้ข้อที่สอง คือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทาบุญทำกุศลต่างๆเพื่อที่จะได้มาตัาง้งกรรมหรือบาป ท, ที่เราทำไว้เพื่อที่เวลาที่เราตายไปแล้วถ้าบุญกุศลของเรานี้มีมากกว่าบาป ท, ที่เราทำไว้บาป ท, ที่เราทำไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้เพราะว่าบุญที่มีมากกว่าจะต้องแสดงผลก่อน ถ้ามีบุญมากกว่าเวลาตายไปบุญก็จะดึงให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพต่อไปอ น, นั้นนี่คือที่มาของการกระทําข้อที่สองเป็นการป้องกันแม้ความทุกข์ผลของความทุกข์เกิดขึ้นด้วยการให้เราทําบุญให้มากๆ ก, กว่าการกระทําบาปบาป ก, ก็พยายามอย่าทําเลยแต่ถ้าถ้ามันเป็นเหตุส่นวิสัย เป็นสิ่งที่มันเหนือความสามารถของสติปัญญาของเราที่จะยับยั้งมันได้เราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาต้านกําลังของบาปไว้ก่อนเราไม่สามารถลบล้างบาปด้วยการทําบุญได้แต่เราสามารถใช้บุญนี้เป็นผู้ที่มาต้านไม่ให้บาปแสดงผลก่อนได้คือถ้าบุญมี มีมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าบาปบุญก็จ ะ, สะแสดงผลก่อนเช่านว่าสมมติว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรามีการลั้เผลอบ้างมีการลูกแก่โทสะโมหโะรลภะแล้วเราก็ไปทำบาปบ้างเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องทำบุญ เราก็มันทำบุญกันอย่างเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ก็ทำแบบทำทุกวันเช่นใส่บาตรเนี่ยถ้ามีพระมีวัดอยู่ใกล้บ้านสามารถทำบุญใส่บาตรได้ก็ทำไปอันนี้เป็นการสะสมบุญเป็นการสร้างพลังบุญให้มีมากกว่าพลังของบาสนี่พอเวลาที่เราตายไปพลังของบุญจะได้ดึงให้เราไปเกิดในสุคติ ไปเกิดในสวรรค์ไปรับความสุขแทนที่จะไปรับความทุกข์ของนอบายได้พระพุทธเจ้าถึงสองสอนข้อที่สองว่าให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดใดทำได้ทำไปเลยทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำกับบุคคลต่างๆได้ทำกับสถาบันองค์กรการกุศลต่างๆได้ทากับวัดก่อนพาะอะไร วันนี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเป็นเป็นสถาบันการศึกษาที่เราจะต้องมีไว้เพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาไปเรียนรู้เวลาที่เราไม่สามารถไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องทําอย่างไรเราก็ไปหาพระไปไปที่วัดกั น, นการทําบุญกับพระกับวัดก็มีความสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะพระกับวัดนี้เป็นผู้ที่จะสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับเราได้ไม่มีที่อื่นที่จะสอนวิธีการดับทุกข์ของเราได้นะเช่นถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาลนะเราก็จะสอนวิธีรักษาร่างกายได้ ด, ดับความทุกข์ทางร่างกายให้กับเราได้ถ้าเราไปทําบุญกับโรงเรียนโรงเรียนเขาก็จะให้วิชาความรู้ต่างๆกับเราได้แต่เขาจะไม่สามารถที่จะ ให้วิชาดับทุกข์ให้กับเราได้งั้นเราจึงต้องอถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเป็นนักศึกษาที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องสนับสนุนสถาบันที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนคือศาสนาพุทธนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่าศาสนาพุทธมีพอเพียงแล้วพระสงฆ์ท่านมีพอเพียงแล้วไม่เดือดร้อนไม่ขาดแคลน ท่านสามารถทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แล้วเราจะแบ่งไปทำกับที่อื่นก่อนก็ได้ที่อื่นด้วยก็ได้สิ่งแรกบุคคลอื่นที่เราควรจะทำก่อนก็คือผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาของเราเป็นต้นก่อนที่เราจะออกไปทำบุญกับพระนอกวัดนี้ท่านสอนให้เราไปทำบุญกับพระในวัดก่อนดูแลพระในวัดคือพ่อแม่ของเราให้ท่านอยู่ดีกินดี หรือปูหย่าตายายด้วยถ้ามีปู่ย่าตายายท่านก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของเราเพราะท่านเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่ของเราอีกทีถ้าเราดูแลพ่อแม่เราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของพ่อแม่ด้วยถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาขาดแคลนแต่ถ้าเขาอยู่สุขสบายดีไม่ขาดแคลนไม่เดือดร้อนเราก็อาจไม่ต้องดูแลไม่ต้องให้อะไรท่านมากก็ได้ให้พอให้เป็นเครื่องแสดงความ สำนึกในบุญคุณเวลาพบปะท่านไปเยี่ยมเยียนกับท่านถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็หาอะไรไปฝากถ้าอยู่ด้วยกันก็เช่นเดียวกันคอยรับใช้ท่านถ้าท่านต้องการไปไหนมาไหนท่านไปเองไม่ได้เราก็ต้องพาท่านไปเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาเพื่อต้านเพื่อต้านบาปที่เราอาจจะได้ทาเอาไว้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เรา ไม่มีกําลังที่จะระ ง, งับเวลาเกิดโทสะโมหะโลภะขึ้นมาทําบุญชนิดต่างๆทําทบุญกับพระที่บ้านแล้วต่อไปแล้วก็ทําบุญกับบุคคลอื่นต่อไปได้ญาติพี่น้องใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าช่วยเหลือสงเคราะห์เขาได้ก็ช่วยเหลือไปพอเราดูแลคนในครอบครัวได้ครบแล้วเราก็ไปดูแลผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังมี มีกำลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ไปช่วยจะไปช่วยคนไข้คนป่วยก็ไปช่วยโรงพยาบาลจะช่วยเด็กยากจนที่ไม่มีทุนการศึกษาก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กยากจนก็ได้หรือจะช่วยกับบุคคลที่อนาถาคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือไปช่วยสถาบันที่ให้ช่วยให้การช่วยเหลือกับสังคมเช่นองค์กรกู้ภัยต่าง ที่เวลามีภัยพิบัติต่างๆก็จะมีองค์กรผู้ภัยนี้ไปช่วยเหลือกันเราก็สามารถทำบุญในรูปแบบเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันได้อ น, นิสงส์เหมือนกันคือได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจได้บุญที่จะสามารถที่จะมาต้านกำลังของบาป ท, ที่เราทำไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทากันควบคู่กันไป ละการกระทำบาปละอบายมุขแล้วก็ทำบุญตามโอกาสตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ตามไปทำไปตามกำลังของเราไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาทำขนาดนั้นขนาดนี้เราถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่เราจะทำตามเขาได้ก็ไม่ต้องทำตามเขาขอให้ทำตามกำลังของเราเพราะคนเรานี้สถานะก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับ ขนาดของสัตว์เนี่ยสัตว์แต่ละชนิดก็มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันช้างก็ตัวใหญ่หนูก็ตัวเล็กเวลาช้างกินข้าวช้างก็ต้องกินมากๆถึงจะอิ่มหนูเวลากินข้าวก็กินไม่มากก็อิ่มได้เหมือนกันการทําบุญก็เหมือนกับเป็นการให้อาหารให้ความสุขใจอิ่มใจกับใจนั่นเองดังนั้น คนที่มีฐานะมากก็ต้องทำมากคนที่มีฐานะน้อยมีเงินน้อยก็ทำน้อยแต่ผลที่ได้รับก็จะเหมือนกันก็คือได้ความอิ่มใจสุขใจเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราทำกันแต่อยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราเสียสละไปเราเสียสละไปร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่คนมีน้อยก็ก็สละไป สัตส่วนฮะเท่ากันแต่ปริมาณของเงินอาจจะไม่เท่ากันแต่ผลก็คือความอิ่มใจสุขใจนี้จะเท่ากันถ้าไปสวรรค์ก็ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันได้อันนี้อยู่ที่กำลังของทรัพย์ที่เรามีอยู่ทาไปพอเราได้ทำแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีอะไรที่จะทำเราก็ไปทำ าการดับทุกข์ขั้นที่สามต่อไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสไม่มีกำลังที่จะไปทำบุญทำทานไปทำอะไรให้กับใครเราก็ไปชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์คือไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าขั้นภาวนาจิตตภาวนาที่มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันคือขั้นสมถภาวนาคือขั้นสมาธิ แล้วขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาคือขั้นปัญญาเนี mm ่ hmm. นี่เป็นธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเราอยากจะก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับโลกุตตะธรรมคือธรรมที่จะทำให้เราได้บรรลุ mm hmm. เป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างสิ้นเชิงต้องมีการ มีการปฏิบัติธรรมขั้นสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพราะว่าถ้าเราเพียงแต่ละการกระทำบาปแล้วทำแต่บุญนี้เราก็ยังจะติดอยู่ในในตายพบในสังสารวัฏในพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราละบาปทำบุญเวลาตายไปบุญเรามีมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพได้ บุญที่เราส่งขึ้นไปหมดกําลังเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาเกิดมามาทำบุญมาละ บ, บาปใหม่ก็จะทําอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะเรายัางไม่สามารถที่จะกําจัดเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดได้เหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดกัร น, นี้ก็คือกิเลสตัณหาคือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขอยากราบยศสารเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆถ้าเรายังมีความอยากอย่างนี้อยู่เวลาร่างกายตายไปความอยากหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงจิตให้ไปหาร่่งกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มาหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะกันใหม่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดเพราะการกลับมาเกิดนี้ ถึงแม้จะมาเกิดรวยก็ตามเกิดใหญ่โตก็ตามแต่ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพากจากกันอยู่นั่นเองถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องไปปฏิบัติทำสอนข้อที่สามคือให้ชำระใจของเราให้สะอาดบอยสุดธความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ มันจะหมดไปได้จากการที่เราปฏิบัติทำขั้นภาวนาสองขั้นด้วยกันสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือสมาธิและปัญญาถ้าเราปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือถ้าเราปฏิบัติเพียงสมาธินี้สมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้เพียงแต่ มีกำลังที่จะหยุดมันไว้ได้ชั่วคราวเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเนี่ยเวลาเราหินไปทับหญ้าเนี่ยหญ้ามันจะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราหินออกจากหญ้าไปเหลือไม่กี่วันพอได้น้ำค้างได้น้ำฝนหญ้า ก, ก็จะงอกกลับขึ้นขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้หญ้านี้มันตายไปเราต้องถอนรากถอนโคนเหมือนยาเาหินไปทับเนี่ยเอา เราต้องถอนมันถอนรากให้มันออกมาจากดินพอต้นถูกถอนออกมาจากดินแล้วรากถูกถอนออกมาแล้ว uh huh. ต้นยญาต้นนั้นก็จะไม่มีวันขึ้นอีกต่อไปกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันกิเลสตัณหานี้มันจะไม่ตายจากการที่เราปฏิบัติทำขั้นสมาธิถ้าเราต้องการให้กิเลสตัณหาตายนี้หลังจากที่เราปฏิบัติทำขั้นสมาธิแล้วเราต้องไปขั้น อีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะเป็นขั้นที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาให้ออกจากใจยอย่างท้าวอน<ม>แต่ต้องอาศัยขั้นของสมาธิเป็นเป็นขั้นบันไดาพาขึ้นไปสู่ขั้นปัญญาเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็ก็จะไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญามาถอดถอนความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้ออกไปจากใจได้เป็นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทั้งสองขั้นตอนถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต้องขั้นต้นก็คือต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนขั้นต้นเราละบาปได้แล้วเราก็ลสาระศีลห้าได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะไปปฏิบัติทำขั้นสมาธิขั้นปัญญา หรือขั้นสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานานี้เราจำเป็นที่จะต้องมีศีลระดับศีลแปดขึ้นไปเพื่อช่วยให้เราเป็นสนับสนุนให้เราได้มีเวลาไปปฏิบัติกันนั่นเองเพราะการปฏิบัตินี้ต้องใช้เวลามากและต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องคือต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้นถึงจะได้ผลดีถ้าเราปฏิบัติแบบ ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นะวันหนึ่งก็ปฏิบัติครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นเพียงการเป็นการ เ, เป็นการลองลองชิมอาหารดูยังไม่ได้รับประทานอาหารถ้ารับประทานอาหารนี่ต้องตักแล้วตักอีกกินแล้วกินอีกจนกว่าจะอิ่มท้องถึงจะหยุดกิน แต่ถ้าเราชิมอาหารแล้วก็ตักขึ้นมาสักช้อนหนึ่งชิมดูรสชาติเป็นยงไงออกรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างนั้ น, นอย่างนี้แล้วเราก็หยุดนี้อันนี้ก็จะไม่อิ่มการชิมอาหารนี่ไม่ทําให้ใจละไม่ทําให้ท้องอิ่มฉัในใดการปฏิบัติแบบชิมอาหารก็คือปฏิบัติวันละครั้งสองครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงครั้งหรืองหชั่วโมง น, นี้ยังถือว่าเป็นการชิมลดแห่งธรรมอยู่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้ กินเป็นแบบก็เป็นกออเป็นกรรมยังไม่ทําให้ใจอิ่มทาให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้การที่จะทําให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องเลยอย่างที่พวกเป็นพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองแต่สําหรับผู้ที่ครองเรือนี้ก่อนที่จะไปเป็นนักบวชได้ก็ อ, อาจจะต้องฝึกเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนเช่นอาทิตย์นึงอาจจะหาเวลาสักวันหนึ่งเวลาว่างจากภารกิจการงาน ที่เรามีเวลาว่างที่เราจะไปอยู่แบบนักบวชได้แล้วก็ลองไปหาวัดไปหาที่สงบสงัดอยู่แล้วก็ลองไปอยู่แบบนักบวชคือจะไม่ทำอะไรนอกจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญสติสมาธิปัญญาเท่านั้นอย่าไม่ทำงานอย่างอื่นยกเว้นงานที่จาเป็นเช่นงานรับประทานอาหาราการ อาบน้ำอาบท่าหรืออะไรเท่านั้นเองแต่จะไม่ทางานอย่างอื่นจะเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับงานของการปฏิบัติธรรมมันถึงจะได้เป็นก่อบเป็นกรรมจะได้เป็นเหมือนกับไปกินอาหารเราสามารถเป็นนักบวชชั่วคราวได้ก่อนคารวะญาิโยมในสมัยก่อนนี่เขาก็จะเรียกว่า so อุบาสกุบาสิกาก็จะไปอยู่วัดกันในวันพระ ไปถือศีลอุโบสถไปกินไปนอนอยู่ในพระอุโบสถเขาก็เลยเรียกว่าศีลแปดนี้ว่าเป็นศีลอุโบสถแต่ความจริงก็เป็นศีลแปดเหมือนกันผู้ที่ไปอยู่วัดในวันเสาร์ในวันพระนี่ก็เป็นวันที่เขาจะไม่ทําภารกิจอย่างอื่นเขาจะไปไปปฏิบัติสติสมาธิปัญญาจองก็จะถือศีลแปดกัน ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดูอะไรที่เป็นเครื่องบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามไม่ไม่เสริมความงามต่างๆด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ไม่หลับนอนบนเตียงอันสกุกอันสบายไปนอนในโบสถ์ก็ปูเสือ่อปูผ้านอนกับพื้นกันนี่คืออุบาสิกาผู้ที่ไปซ้อมเป็นนักบวชชั่วคราวก่อน อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระเขาก็ไปอยู่วัดกันสมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของเราพอถึงวันพระเราก็ไปวัดไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนมันพระของเราให้ไปตรงกับวันหยุดของเราเช่นถ้าเราวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เอาวันวันหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระมาเป็นวันที่เราจะมาเป็นนักบวชชั่วคราว แล้วเราก็ไปหาวัดที่มีที่ให้เราได้ได้ได้ได้อยู่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะเดี๋ยวนี้บางทีบางวัดท่านจะมีแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นเองที่จะให้ญาติโยมไปอยู่ค้างคืนปฏิบัติธรรมได้แต่ก็มีบางวัดที่ให้เราไปอยู่ได้อย่างเช่นที่วัดญาณ น, นี้ก็สามารถมาอยู่ได้ทุกวันไม่ไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่วันพระใครอยากจะมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็ สามารถมาอยู่ที่วัดได้ที่วัดก็จะมีที่พักให้อยู่นมีห้องนอนมีอะไรให้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทํำเช่นให้ลงโบดเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพอเวลาที่เราไม่ได้ลงโบสเราอยู่ที่พักเราเราก็ปฏิบัติต่อได้ล้วก็ฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปเพื่อให้เราได้เจริญสติบ้างเจริญสมาธิบ้างเจริญปัญญาบ้างก็ได้ทางวัดเขาก็จะมีที่ให้เราพักได้เราสามารถจองที่พักได้ติดต่อกับที่สํานักงานถ้าเราอยากจะมาบวชชั่วคราวกันเอมาถือสิงแปะ ก, กันนุ่งขาวห่มขาวกันอย่างญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวที่มาฟังเทศน์นี้ ก็ส่วนหนึ่งก็มาพักอยู่ที่วัดนี้มาพอมาที่วัดก็มาสมาทานสิงหแปจากพระเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องละกิจกรรมทางการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสี่ยงก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกินให้น้อยลงลดการกินให้น้อยลงไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่นอนมากไม่นอนมากจนเกินไปสี่ห้าชั่วโมง นอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่ติดกับการนอนล้วก็ไม่ดูหนังฟังเพลงเครื่องบันเทิงอะไรต่างๆต้องการเอาเวลามาปฏิบัติรรมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาเวลาใจมีอุเบกขาแล้วใจจะมีพลังที่จะสามารถเอาไปสู้กับความอยากความความโลคความโกรธความโามงได้ถ้าใจยังไม่มีพลังไม่มีอุเบกขา เวลาทีเราไปสู้กับความโลภความอยากความหลงนี้จะสู้ไม่ไหวรู้ว่าความโลภความขวดความหลงนี้เป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เราก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันได้ดังั้นการที่ปฏิบัติก่อนที่จะไปถึงขั้นปัญญาได้เราจะเป็นที่จะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสร้างพลังให้กับจิตใจก่อนจิตใจก็เป็นเหมือนนักมวยเนี่ย นักมวยก่อนจะขึ้นเวทีด้านนี้นักมวยจะยต้องพักผ่อนหลับนอนให้เต็มที่รับประทานอาหารให้เต็มที่ไม่ใช่เวลาขึ้นเวทีแล้วไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินอาหารเลยถ้าไปขึ้นเวทีไปไปต่อสู้กับผู้ต่อสู้ก็ถูกเขาน็อกเท่า น, นั้นเองถ้าไม่มีกำลังที่จะที่จะชกที่จะเตะเนี่ยนักกีฬาที่จะลงสนามนี้เขาต้อง เขาต้องได้รับการดูแลทางร่างกายอย่างดีร่างกายจะต้องได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงได้ออกกําลังกายได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่ mm. เมื่อร่างกายเขาได้มี mm. การดูแลอย่างเต็มที่ร่างกายก็พร้อมที่จะไปขึ้นไปสู้กับผู้ต่อสู้ต่อไปได้ mm. mm. ผู่ต่อสู้ของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้เองที่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเป็น ถ้าศึกษัตรูเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เวลาเราเจอมันนี่ถ้าเราไม่มีกาลังเราก็จะสู้มันไม่ไหวมันก็จะลากเราไปได้ลากให้เราไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำได้แต่ถ้าเรามีมีกาลังมีสมาธิมีอุบเบกขาเนี่เวลาเจอกิเลสกิเลสจะลากให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาเราก็จะต้านมันได้เราก็จะหยุดมันได้ การต้านกิเลสการหยุดกิเลสนี้ก็เป็นการฆ่ากิเลสนั่นเองเพราะเมื่อถ้าถ้ากิเลสหรือความโลบความอยากนี้ไม่สามารถที่จะดึงให้เราไปทำอะไรตามที่มันต้องการได้ต่อไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่มาดึงเราอีกต่อไปต่อไปมันก็จะหายไปเพราะว่ามันมาแล้วมันก็ไม่สามารถดึงเราไปทำนูน่นทำนี่ได้ เพราะเรารู้ว่าการไปทำอะไรตามกิเลสแล้วมันจะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่กิเลสดึงให้เราไปหานั้นมันเป็นของชั่วคราวมันอาจจะให้ความสุขความเพลิดเพลินกับเราชั่วคราวแต่ไม่นานของที่ให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไปมันก็จะทาให้ใจเราเสียใจเศร้าใจ เช่นเวลาที่เราได้แฟนมานี่เราก็สุขใจแต่พอเวลาแฟนเลิกกับเราแฟนเขาจากเราไปเราก็จะเศร้าใจเสียใจแล้วเราก็ไปบังคับแฟนไม่ได้ห้ามแฟนไม่ได้สั่งแฟนว่าเธอจะต้องเป็นของเราไปตลอดนี่สั่งเขาไม่ได้วันดีเกินดีถ้าเขามีเหตุอย่างอื่นทําให้เขาจะต้องจากเราไปเขาก็ไปได้เขาอาจจะไปด้วยความไม่สมัครใจก็มีเช่นเขาอาจจะตายไปก็มี อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆกับทุกคนเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับอะไรต่างๆไว้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญามองเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาไม่มีกาลังสู้กับความอยากเวลาความอยากมันชวนให้เราไปหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา เราก็จะทนไม่ไหวเราก็จะต้องไปทำตามันแต่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิดีทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งมีอยูด่เบดิกขาอยู่เฉยๆได้เวลามีความอยากมาดึงไปเราก็สู้กับสู้กับความอยากโดยใช้ปัญญาบอกเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรไปเพราะสิ่งที่เราจะไปหานั้นมันเป็นของชั่วคราว เป็นของที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่องสิ้นสุดลงหมดไปแล้วมันจะทําให้เราเสียใจทุกใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปถ้าเรามีเหตุผลคือปัญญาสอนให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวที่จะทําให้เราต้องเสียใจทุกใจแล้วถ้าเรามีอุเบกขามีกําลังเฉยเราก็อยู่วเฉยๆต่อไป กิเลสจะมาชวนมาหลอกมาล่อาอยยังไงล้วก็บอกว่าอย่ามาหลอกเลยหลอกให้เราไปหาความทุกข์เพราะสิ่ง ท, ที่ที่คิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่เขายังดีอยู่เวลาเขาเสียไปเปลี่ยนไปความสุขที่เขาเคยให้กับเรามันก็หมดไปให้สิ่งที่เราจะได้รับต่อไปก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจนี่คือการกาจัดกิเลส ขั้นต้นนี้ต้องใช้สมาธิก่อนสมาธินี้ก็ตัดกำลังของสติให้อ่อนลงด้วยความอยากมันจะเบาลงเวลาที่เรามีสมาธิเวลาจิตที่เรามีอยู่เบกขานี้ความอยากไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่ยังเกิดได้อยู่พอมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปพิจารณาไตรลักษณ์นี่เองพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพาคจากกันไปไ ม, ไม่เขาเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนหรือไปพร้อมๆกันแต่ในที่สุดไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่กันไปได้ไปตลอดแล้วเมื่อเวลาเกิดการพัดพาคจากกันมันก็จะเกิดความทุกข์ใจความเสียใจนี่คือการคิดในทางปัญญาคิดให้เห็นใจรักอยู่เรื่อย แล้วเวลาเกิดความอยากได้อะไรมันก็จะสวนขึ้นมาทันทีว่าอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยมทุกข์เพราะว่าเราเก็บเอาไว้บังคับให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เราต้องหัดคิดอย่างนี้บ่อยๆถ้าเราไม่คิดนี้เราจะลืมพอเห็นอะไรว่าเห็นอะไรว่าดีว่างามว่าสุขมันก็อยากได้ขึ้นมาทันทีลืมถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปกับสิ่งที่เรา ที่เราอยากได้เพราะว่ามันในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปแล้วมันก็จะทำให้เศร้าโศกเสียใจนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องคอยสอนใจให้เห็นอยู่เรื่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหน้าที่ของสมาธิก็คือให้กำลังเฉยกับใจถ้าใจเฉยไม่เป็นเวลาเกิดความอยากแล้วมันทนสู้กับความอยากไม่ไหว รือแม้จะมีปัญญาคอยสอนว่าสิ่งที่อยากได้เป็นเป็นทุกข์เป็นตายรักก็ตามเป็นอนิจจังทุกขังกนัาตาก็ตามแต่ใจก็จะฝืนไม่ไหวสู้ไม่ไหวจึนจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้โือจะต้องมีสมาธิมีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นตายรักเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันจะนาไปสู่ความทุกข์ต่อไป ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามีสมาธิมีวิเวคขาเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจเพราะว่ามันอยากแล้วมันไม่สามารถทําดึงให้เราไปทําตามความอยากได้ความอยากมันก็จะไม่กลับมาต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปการหายไปของความอยากแต่ละขั้นมันก็ทําให้เรามรย์ทําขึ้นมาแต่ละขั้น คันโสดาบันก็ละความอยากได้บางส่วนขันสกิดาคามาอคามีก็ละเพิ่มได้อีกบางส่วนอานาคามีก็เพิ่มได้อีกละเพิ่มได้อีกพระอรหันก็จะละความอยากได้ทั้งหมดเลยความอยากทุกชนิดก็จะหมดสิ้นไปจากใจพอความอยากหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ตั้งแต่บัด น, นั้นไปตลอดจนอนันตการไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจมันถูกกําจัดไปหมดแล้วด้วยกําลังของสมาธิและปัญญาและเหตุที่จะพาให้ใจไปเกิดมีร่างกายเพื่อไปเกิดแก่เจ็บตายไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีอีกต่อไปทุกข์ก็จะถูกกําจัดได้อย่างสิน้นอย่างอย่างสิ้นเชิงอย่างถาวรจากการที่เราปฏิบัติทำขั้นที่3คือการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาหรือการเจริญสมาธิและปัญญานี่เองนี่คือขั้นตอนหรือวิธีการของการดับความทุกข์ของพระพุทธศาสนามีสมขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงขั้นที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมขั้นที่สมให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมทั้งสามขั้นนี้ได้เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเราก็จะไม่ต้องเจอกับความทุกข์อีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามีการศึกษาและมีการปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนเราก็จะได้รับผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยัถาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตูทินนางเปตานังอุปกาปติ ยิชิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรงตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโอมิวะชันตุสัพพะโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตารโยสุขีทีคายุโกาวะอาพิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายนโนจัตารธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลางโอเคช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราจะสะดวกที่เราจะคุยกันถามคุยกันได้มีอะไรเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกก็ต้องทําภารกิจอย่างอื่นต่ออย่างถ้าอยากจะถามอะไรเข้ามาถามที่ข้างหน้านี้ก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดหรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจได้ ทางเพจทาง YouTube ได้แล้วจะมีทีมงานเอามาอ่านวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 335สท่าน YouTube 220ท่าน YouTube Dr. V 98ท่านวิทยุออนไลน์เจท่าน c l ั c เฮาส์สิบท่านนาคุติคร้หกสิบท่านรวมทั้งหมด 831้อสครับพระอาจารย์ถ้ามีคำถามว่าเชิญนา่นได้เลยคำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณธรรมสุขใจการทำบุญอุทิศให้คนตกนรกเขาจะได้รับบุญหรือไม่ครับคนที่จะรับได้เพียงมีเพียงเดียวพวกเดียวคือพวกเปรตพวกอื่นนี้เขาไม่รับหรือว่าเขามีบุญมากไม่ทำให้เขาไม่ต้องอรอรับคนตกนรกก็เหมือนคนติดคุก เปรตนี่เป็นเหมือนขอทานขอทานนี่ต้องออกจากคุกก่อนแล้วก็เป็นเหมือนขอทานแล้วค่อยมารับบุญได้ขออ้ขอต่ข อ, อข้อถัดไปจากขั้นเดิมนะคะการทำบุญให้เห็นผลในชาตินี้มีวิธีการทำบุญแบบไหนบ้างครับก็วิธีที่พระเจ้าสอนทำเนี่ยใส่บาตรปั๊บก็ได้บุญทันทีบุญอันแรกที่เราได้สัมผัสก็คือความสุขใจอิ่มใจ เวลาเราได้ทำบุญเสียสละคุณประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขสบายใจขึ้นมาอันนั้นแหละก็คือบุญย้งทำได้หมดตามที่พูะเจ้าสอนสร้างบุญชนิดต่างๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี้ก็จะได้บุญเหมือนกัน กับนมัส ก, การนะคะพระอาจารย์หนูมีโอกาสได้ไปเดินเยี่ยมชมที่อรียาคารนะคะแล้วก็สะดุดคติธรรมอย่างย่อของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระอิสยานวงค่ะแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ ะ, คะท่านบอกว่าบุคคลผู้มีตานั้นหลับตาเสียไม่ดูรูปที่มีอยู่ แสงสว่างที่ส่องให้เห็นรูปก็ไม่มีประโยชน์แก่บุคคลที่มีตาและไม่ดูฉะนนั้นค่ะหนูอ่านแล้วไม่เข้าใจจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะบุคคลผู้มีตานั้นหลับตาเสียไม่ดูรูปที่มีอยู่แสงสว่างที่ส่องให้เห็นรูป ก็ไม่มีประโยชน์แก่บุคคลที่มีตาและไม่ดูฉะนั้นอ๋อก็เวลาเราหลับตานี่ถึงแม้จะมีแสงสว่างมองเห็นอะไรต่างๆได้คนหลับตาก็มองไม่เห็นใช่ไหมค่ะอันนี้ท่านหมายถึงคนที่หลับตาทางธรรมะค่ะไม่สนใจธรรมะแม้จะมีแสงสว่างแห่งธรรมของพุทธเจ้ามามาฉายแสงให้เราเห็นว่ามีบุญมีบาปมีนรกมีสวรค์ มีการเวียนว่ายตายเกิดค่ะแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่เชื่อก็เป็นเหมือนคนที่ปิดตาของเขา ต, ต่อแสงสว่างแห่งธรรมก็คือเป็นแสงสว่างแห่งธรรมใช่ไหมคะแสงสว่างก็คือปัญญาของพระเจ้าที่มาสอนพวกเราให้รู้ว่าเนี่ยนอกจากมีร่างกายแล้วเรายังมีดวงจิต ด, ดวงวิ ญ, ญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดที่ไปนรกไปสวรรค์ที่ไปทําบุญทําบาปอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแสงสว่างแห่งธรรมหรือแสงสว่างที่มา เวลาพระอาทิตขึ้นก็จะทําให้เราเห็นอะไรต่างๆ ค, คือ น, นี้พระพระอาทิตตกปั๊บก็มองไม่เห็นศา ส, สนาพุทธก็เหมือนแสงสว่างค่ะคนที่ไม่เชื่อศาสนาพุทธก็เหมือนคนหลับตาค่ะมองไม่เห็นก็คือมืดมื ด, ม, ดมืดบอดในทางธรรมใช่ไหมคะมืดในทางธรรมไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกคิดว่าตายแล้วสู ง, งพวกนี้ค่ะหนูไ ป, ไปตีความผิดว่า แสงสว่างคือเป็นแสงสว่างที่เรามองเห็นแล้วการที่เราหลงในรูปต่างๆเพราะว่ามีแสงมากระทบกับวัตถุทําให้เราหลงแล้วก็ชอบมันแบบนั้นนะคะน่าจะตีความผิดตีความผิดในที่นี้หมายถึงแสงสว่างเปรียบเทียบแสงสว่างทางแสงอาทิตย์กับแสงสว่างทางทางธรรมค่ะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะพรอาจารย์ จากทางยูทู e นะคะจากคุณแบมแบมทั้งมีสองคำถามค่ะข้อแรกบางวันปฏิบัติแล้วเหนื่อยแพ้กิเลสยิ่งกิเลสแรงแงเราควรทำอย่างไรเจ้าคะก็รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้าแรงเราไม่ถึงเราก็พักก่อนพักให้เติมกำลังก่อนแล้วค่อยกลับไปสู้กับเขาใหมา่อีกข้อเจ้าค่ะจากที่ฟังเทศพระอาจารย์ เวลาโลภะโทสะแรงๆแล้วเผลอไปทำบาปเกิดจากเขากําลังสติไม่พอหนูเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องสติกําลังเราน้อยไปสู้เขาไม่ไหวเขาเลยฉุดร่างให้เราไปทำบาปได้แต่เราก็พยายามทำบุญไว้ต้านเขาก่อนถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้หยุดทำบาปไม่ได้ก็พยายามทำบุญให้มากๆแต่บุญนี้ไปลบล้างบาปไม่ได้ควระบัญชีกันเพียงแต่ว่า เวลาคิดบัญชีอันไหนมีมีผลมากกว่าตัวนั้นก็จะแสดงผลก่อนจากท่านต่อไปค่ะคนที่ได้แต่งงานกาันคือมีคนบนฟ้ากำหนดมาให้เราแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกจนกว่าจะหมดเวรกรรมถูกต้องไหมเจ้าคะใช่หรอตัวที่กำหนดก็คือการหาความอยากของเรา ถ้าเราอยากเราชอบเขามันก็ตอนนั้นเป็นตัวกำหนดไม่มีฟ้าดินอะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่ชอบต่อให้มันยังไงก็ไม่ได้แต่งงานกันมันอยู่ที่ความชอบหรือความไม่ชอบของเราหมดแล้วเดละ น, นะตัวที่เป็นตัวที่กำหนดการกระทาของเรานี้ก็คือกิเลสนะั่นแหละกิเลสเป็นตัวที่จะกำหนดให้เราไปทํานู่นทานี่ขึ้นมาดังั้นะกิเลสมันก็ เป็นตัวที่จะพาให้เราไปทําแล้วจะทําให้เราต้องเจอกับความทุกข์ต่อไปแราวสิ่งที่เราที่กิเลสพาเราไปหานั้ยมันเป็นของไม่เที่ยงได้กันแล้วเดี๋ยวมันก็เขาก็เปลี่ยนได้หรือเขาเขาเสื่อมได้เขาหมดได้เขาก็เสื่อมจากเราไปเราก็เสียใจเจอความทุกข์ตามมาถ้าเราไม่ไปตามกิเลสมันอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ เหงาหนิดหน่อยก็แก้เหงาด้วยการ น, นั่งสมาธิดีกว่าฟังเทศฟังธรรมดีกว่ามันก็จะไม่ต้องไปเจอความทุกข์กับคนนั้นเพราะคนนั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีกับเราไปตลอดหรือถ้าเขาดีกับเราไปตลอดเขาก็อาจจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคภัยไข้เจ็บทําให้ก็ต้องเสียชีวิตไปก็ได้แล้วลองมองความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะทําให้เราไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับอะไร มีคำถามเข้ามาอีกไหมมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณเอ็นค่ะสามีที่มีชู้เขาไม่เชื่อในศาสนากับเมียน้อยซึ่งนับถือคริสเขาเชื่อว่าพระเจ้าส่งดิฉันมาให้เขาถามว่าเขาทั้งสองคนจะได้รับกรรมอย่างไรเจ้าคะคือการประพฤติประเพณีมันก็เป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีคู่ครองประจำ เขาเจอใครที่ไหนเขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็เอาคนนั้นมาเป็นคู่ของเขาชื่อค่าวอันนี้ก็ลักษณะของใจที่เป็นเดรัจฉานแต่ยังมีร่างกายของมนุษย์อยู่ตายไปเขาก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปจากคุณตุตะค่ะถือศิล8แปดกำหนดสติตลอดสี่ถึงหอาทิตย์จิตจึงรวมหลังจากนั้นไม่มีโอกาสทำต่อเนื่องอีกเลย ได้แค่นั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงมีสติยามตื่นถือศีลแปวันพระใหญ่ประมาทในชีวิตอยู่ขอหลวงพ่อให้สติสั่งสอนเพื่อเพื่อสะสมบุญต่อไปกับนรมศส ก, การครับก็ต้องหาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้ได้อย่างที่เมื่อกี้เทศไว้เนี่ยถ้าเรามีเวลาปฏิบัติเราก็จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมพอเราไปทำภารากิจอย่างอื่นไม่มีเวลามาปฏิบัติ ความเจ้าความก้าวหน้าก็จะกลายเป็นการถดถอยไปดนั้นต้องหมั่นพยายามปฏิบัติทมอยู่เรื่อยๆและปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นถ้าเราต้องการที่จะให้เจริญก้าวหน้าในทางธรรมไม่มีแล้วคโอเคถ้าไม่มีแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ